สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิยภพิบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตสาวก ค, ครั้งที่เก้าเรื่องความเชื่อสองพี่น้องครับพี่น้องเคยได้ยินเพล ง, พลงนี้ไหมครับข้ายืดมั่นในคำสัญญาขององค์พระคริสต์ข้าจะสรรเสริญพระองค์เสมอเป็นนิตสรรเสริญยกย่องพระองค์ผู้ทรงมีฤทธ ยึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าเชื่อถือเชื่อถือเชื่อมันในคำสัญญาของพระเจ้าผู้ช่วยเราเชื่อถือเชื่อถือเราเชื่อมันในคำสัญญาของพระเจ้าพี่น้องครับความเชื่อยึดมั่นในพระสัญญาความเชื่อ ยึดมั่นในพระสัญญาความเชื่อทําให้คร <el> ิสเตียนเรายึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าครับพระเยซูตรัสว่าใครเชื่อก็ทําให้ได้ทุกสิ่งท่านอัครทูตเปาโลก็กล่าวว่าข้าพเจ้าประชันทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าข้าพเจ้าประชัทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าฟิลิปปีบทที่สี่ข้อสิบสามเป็นะครับความเชื่อทําให้เรายึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าเพราะความเชื่อเกี่ยวเรื่องกับอํานาจเหนือธรรมชาติ เพราะความเชื่อเกี่ยวข้องกับพระเจ้ามันจึงดูเหมือนไม่สมเหตุสมผลพี่น้องครับเรามาดูชีวิตอับราฮัมเขาไม่ได้ใช้สามัญสำนึกเนะครับเขาไม่ได้ใช้สัญชาตญาณในการอยู่รอดเนะครับในการออกไปทั้งที่ไม่รู้ว่าตัวเองไปไหนแต่พราะความเชื่อนั่นเองนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อฟังเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับอํานาจเหนือธรรมชาติที่อับราฮัมมั่นใจหรือเมื่อเขามั่นใจนั้นเขาได้แต่ทําสิ่งหนึ่งก็คือทํา การเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าเท่านั้นโยชูวาก็เช่นเดียวกันครับโยชูวา ด, ดูเหมือนไม่ฉลาดเลยที่เข้าโจมตีเมืองเยริโคพี่น้องคงจะจำเหตุการณ์การโจมตีเมืองเยริโคได้นะครับเยริคอนั้นเป็นเมืองเอกเวลาที่เขาข้ามแม่น้ำจอแดนมานะครับเขาข้ามที่เมืองเยริโคและตั้งใจที่จะตีเมืองเยริโคให้ได้แต่เยริคนั้นเป็นเมืองโบราณครับ เป็นเมืองโบราณแห่งแรกเลยนะครับแห่งแรกแรกเลยของอารยธรรมพี่น้องครับเราพบว่าเยริโคนั้นมีกำแพงเมืองที่หนามากในขณะเดียวกันการโจมตีเมืองเยริคอนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายโยชูวาไม่ฉลาดนะครับเพราะว่าเท่าไปโจมตีด้วยความเชื่อโดยที่ประชาชนอิสราเอลนั้นไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธร้ายแรงเลยนะครับมีแต่เครื่องดนตรีในการนมัสการพระเจ้า พี่น้องครับคนในโลกนี้ก็จะยเยาะเย้ยความบ้าบอเช่นนี้ของโยชัวแต่ความเชื่อของโยชัวในที่สุดก็ได้ผลครับกําแพงเมืองเยรรโคก็พังทลายลงมาอย่างราบคาบเป็นหน้ากลองเลยทีเดียวพี่น้องครับอันพิจิงแล้วหากเราพิจารณาดูดีๆนะครับความเชื่อนั้นสมเหตุสมผลที่สุดมีเหตุมีผลที่สุดจะมีอะไรที่มีเหตุผลมากกว่าผู้ถูกสร้างผู้ที่ ถูกสร้างก็คือพวกเราทั้งหลายนะครับไว้วางใจในพระผู้สร้างของเขาพี่น้องครับคนที่มีความเชื่อมากๆคือบ้าหรือเปล่าครับหรือศรัทธาในในในคนที่ไม่มีตัวตนจริงๆไม่ครับบุคคลผู้นี้ที่คนเราศรัทธาก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งการไว้วางใจพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุดที่มนุษย์จะพึงจะทาได้นะครับ การสำแดงความเชื่อด้วยการกระทำไม่ใช่เป็นการกระโดดเข้าไปในที่มืดที่แบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรในภายภาคหน้าเลยแต่เรามีพหัสัญญาที่เราสามารถยึดมั่นไว้เพราะฉะนั้นความเชื่อนะครับมีหลักฐานครับมีหลักฐานก็คือประสบการณ์ต่างๆของผู้เชื่อทั้งหลายและเมื่อเรามีประสบการณ์ต่างๆของผู้เชื่อทั้งหลายชีวิตต่างๆของของผู้เชื่อทั้งหลายซึ่งเป็นบรรพชนแห่งความเชื่อก่อนหน้าเหล่านั้นทําให้เรา มั่นใจได้และสิ่งที่ทําให้เรามั่นใจมากที่สุดก็คือพระสัญญาของพระเจ้านั่นเองพระสัญญาของพระเจ้าหาพบได้ในพระเจนะของพระองค์และเรารู้ว่าพระเจ้าของพระเจ้านั้นไม่ผิดพลาดเลยและไม่มีใครที่วางใจในพระเยซูพระองค์พระเจ้าพระบิดาและประสบความล้มเหลวไม่มีผู้ใดจะเป็นเช่นนั้นได้ความเชื่อในพระเจ้าแท้จริงแล้วไม่มีความเสี่ยงครับความเชื่อในพระเจ้าแท้จริงแล้วไม่มีความเสี่ยงเลยครับ นอีกนัยยะหนึ่งอีกความหมายหนึ่งความเชื่อนั้นเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าอย่างแท้จริงยกพระเจ้าขึ้นเป็นเอกเป็นใหญ่ในฐานะเป็นผู้ที่สมควรแก่การไว้วางใจของพวกเราการไม่เชื่อต่างหากครับเป็นการไม่ถวายเกียรติพระเจ้าเป็นการไม่ยกย่องพระเจ้าเท่าที่ควรเท่าที่พระองค์เป็นเป็นการกล่าวหาว่าพระเจ้าพูดปดเป็นการจํากัดขอบเขตของพระองค์ท่านเป็นพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ ของอิสราเอลและของพวกเราเพราะฉะนั้นการไม่เชื่อเป็นการกล่าวหาพระเจ้าว่าพูดปลดครับแต่ความเชื่อนั้นเป็นการเพิดเพลินพระเจ้าว่าพระองค์ทรงยึดมั่นในคำสัญญาของพระองค์พี่น้องครับให้เราหันกลับมาดูนะครับความเชื่อทำให้เราอยู่ในที่ที่เหมาะสมครับคือเป็นผู้อ้อนวอนด้วยความถ่อมใจเป็นผู้อ้อนวอนด้วยความถ่อมใจเป็นผู้ที่อธิษฐานอย่างถ่อมใจครับ หมอบเฝ้ากราบอยู่เบื้องพระภาคของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เนื้อสิ่งทั้งหลายเนื้อสิ่งทั้งหลายเนื้อสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงสร้างเรามีพระเจ้านะครับและเราเป็นผู้อ้อนวอนพระเจ้าเป็นผู้ฟังเราต้องอ้อนวอนด้วยท่าทีที่ถ่อมใจครับแต่ในขณะเดียวกันเราต้องยกย่องพระเจ้าด้วยท่าทีที่ยำเกรงและเชื่อพึ่งในพระองค์ความเชื่อหลายครั้งนับขัดต่อสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เราเห็นอาคาทูปเปาโลว่าเตือนเรานะครับว่าให้เราดําเนินชีวิตโดยความเชื่อมิใช่ตามที่ตามองเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามองเห็นนะครับอาจจะทําให้เราเองนั้นไข้เขวครับทําให้ความเชื่อของเราลดน้อยถอยลงความท้อใจในสิ่ ง, งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ทําให้เราเชื่อมั่นไม่เพียงพอที่จะก้าวเดินต่อไปในทางที่พระเจ้า ให้ให้เราเดินในวิถีทางแห่งการรับใช้ที่พระเจ้าวังให้กับเรานะครับการดําเนินไปตามที่ตามองเห็นนั้นหมายความว่าเรามีสิ่งที่มองเห็นได้นะครับเรามีความมั่นคงปลอดภัยพอที่จะเก็บ อ, อมไว้นะครับ อ, อมเงินไว้สำอนาคตใช้ความฉลาดของมนุษย์เป็นเครื่องป้อกันไม่ยอมเสี่ยงต่อสิ่งที่มองไม่เห็นแต่การดําเนินชีวิตโดยความเชื่อนั้นก็ตรงกันข้ามกันครับ วันทางกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเป็นการพึ่งพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวปีน้องครับเรา อ, อมทรัพย์ไว้นะครับในโลกนี้อย่างเกินพอนะครับเราใช้ความฉลาดของเราในการหาเงินที่ไม่สมควรไม่เหมาะสมนะครับเราไม่ยอมเสี่ยงต่อสิ่งที่มองไม่เห็น เทียงต่อเราไม่ยอมมีชีวิตที่เสี่ยงอยู่ในทางที่เราจะต้องเชื่อพึ่งพระเจ้าสุดๆเพราะฉะนั้นนี่คือการดําเนินชีวิตแบบไม่มีความเชื่อหรือมีความเชื่อน้อยในทางคนตรงกันข้ามกับคนที่ดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ครับเขาเป็นผู้ที่พึ่งพระเจ้าแต่ผู้เดียวเนะครับหลายคนได้บอกว่าอืมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากนัก ยากหนักสอนได้นะครับสอนได้แต่จะทํายากพี่น้องครับปกติแล้วนะครับคนเรามักจะหลีกเลี่ยงการพึ่งพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นนะครับเราชอบจัดเตรียมหาสำรองในสิ่งที่เราจะสูญเสียไปได้ถ้าเรามองไม่เห็นว่าเราจะไปทางไหนเราก็มักจะกลัวใช่ไหมครับแต่ความเชื่อนั้นคือการกล้าที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วย ใจท่มด้วยจิตใจเชื่อพึ่งในพระเจ้าด้วยจิตใจที่เชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระชนะของพระองค์ความเชื่อนั้นย่อมอยู่เหนือสถา น, านการณ์ใดๆครับและไว้วางใจพระเจ้านะครับว่าพระองค์จะจัดหาทุกอย่างที่ต้องการให้พี่นงกับสาวกที่ตั้งใจจะเดินไปด้วยความเชื่อแน่ใจได้ครับว่าไม่ช้าไม่นานเขาก็ถูกลองดูความเชื่อของเขานะครับ บางครั้งทรับสมบัติเขาอาจจะหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วเขาถูกทดลองใจให้ขอจากมนุษย์ถ้าเขาวางใจในพระเจ้าจริงๆแล้วเขาก็จะพึ่งพระเจ้าถ้าเราให้มนุษย์รู้ว่าเราต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนั่นก็คือเราไม่ได้มีชีวิตด้วยความเชื่อเพียงครับประโยคนี้กินใจข้าพระเจ้ามากครับเพราะที่ว่าหลายครั้งทีเดียวเราเองนั้นรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย ทั้งทั้งที่เราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าขณะที่เรารับใช้พระเจ้าอยู úcar úcar. Er ่นั้นเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเพราะพระหัตถ์ของพระเจ้านั <fun> ้นโอบอุ้มเราครับและด้วยเหตุนี้ทําให้เราจะต้องไว้วางใจพระเจ้าแทนที่จะไว้วางใจมนุษย์เราต้องทํางานชนิดที่ว่าเอาใจพระเจ้านะครับไม่ใช่เอาใจมนุษย์เช่นเดียวกันครับเรายกงานให้พระเจ้านั้นได้สมพระเกียรตินะครับ การที่ทำให้พระเจ้าไม่สมพระเกียรติยังไม่สมพระเกียรติถือว่าเป็นการทรยศต่อพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีความเชื่อสุดท้ายครับผมอยากจะกล่าวถึงในพระธรรมฮีรูบทที่สิบเอ็ดหากพี่น้องมีเวลานะครับขอพี่น้องอ่านทบทวนดูอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นี่คือ hall of fame ก็คือเป็นทาเนียบแห่งบรรพชนความเชื่อของพวกเรา ขอพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่ประเสริฐนะครับให้กับพี่น้องทุกท่านเพื่อเราจะได้รับความสมบูรณ์เช่นเดียวกับบรรมชนแห่งความเชื่อเหล่านั้นที่ไปคอยอยู่ล่วงหน้าเราอาเมน